จเจริญอรถูกตันหลวงพ่อมาเทศที่นี่หลายครั้งที่เชียงใหม่เมื่อวานไปเชียงรายไปทท่เชียงรายวัดพระธาตุกดแก้วครั้งที่แปดมาเชียงใหม่เนี่ยมากกว่าไปเชียงรายไปปีหนึ่งสองครั้งเชียงใหม่สามครั้งที่เชียงรายคนภาวนาดีๆเนี่ยเยอะมากเลยนะ เรียนสักพักหนึ่งหัดภาวนาไปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ที่นี่ก็ใช้ได้นะพ่อมมาเทศหลายๆรอบก็พวกเราก็เปลี่ยนแปลงได้เวลาเราภาวนาเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ต้องให้ใครเข้ามาพยากร j u รับรองเราหรอกบินยูชนรู้ด้วยตัวเอง แต่ปีนิูมชนต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะคนภาวนาเพียนเพี้ยนบอกว่ารู้ล้ละรู้ด้วยตัวเองแล้วปัรู้แล้วมันรู้ความเพียนนะหลักของการปฏิบัติเนะี่ยมันอยู่ที่ว่าให้เรารู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงให้ได้เรารู้ความจริงของรูปนามกายใจแลใจมันจะคลายความยึดถือมันจะเบื่อแล้วคลายความยึดถือออกไป เมื่ใจมันคลายความยึดถือใจไม่ยึดถือในรูปใจจะไม่ถูกเพราะรูปรูปนั้นเป็นตัวทุกข์แต่ใจไม่ยึดรูปใจก็ไม่ทุกข์นามทั้งหลายใจมันรู้ความจริงมันไม่ยึดนามธรรมา ท, ทั้งหลายอย่างตัวความสุขตัวความทุกข์ตัวความดีตัวโลภกรดหลงจิตมันไปรู้ความจริงแล้จิตใจรู้ความจริงว่าทุกอย่าง ของชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรามันน่าเบือ่อใจไม่ยึดเมื่อใจไม่ยึดแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นใจมันไม่ทุกข์เงื่นตัวนามาทมทั้งหลายก็เป็นตัวทุกข์จิตใจเข้าไปยึดตัวนามาทรมมาจิตใจก็พลอยทุกข์ไปด้วยแท้จริงแล้วคำว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนาเนะี่ยมันลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ว่าแก่แล้วทุกงันหนุ่มสาวไม่ทุกเจ็บเราทุกเงื่องถ้าแข็งแรงอยู่ไม่ทุกตายแล้วทุกความตายเป็นทุกถ้ายังไม่ตายไม่ทุกไม่ได้ตื่นอย่างนั้นหรือพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกถ้าไม่พลัดพรากไม่ทุกก็ไม่ใช่ประสบสิ่งที่ไม่รักเราทุกถ้าไม่ประสบเราไม่ไม่ทุกจริงหรือก็ไม่ใช่ ในความเป็นจริงแล้วถ้าลึกซึ้งถึงขีดสุดเราจะนะบพบว่าตัวรูปนามตัวกายตัวใจเหล่านี้แหละคือตัวทุกข์จะแก่หรือจะไม่แก่จะเจ็บหรือจะไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายมันเป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมันแะล้แต่ว่ามันอาการที่ทุกข์แสดงตัวออกมาร่างกายเนี่ยอาการที่ทุกข์แสดงตัวออกมานะีแสดงผ่านความแก่ความเจ็บความตายให้เราดูนะแลโดยทั่วๆไปเนะี่ยมันไม่แสดง ยังอยู่เฉยๆเนี่ยยังไม่รู้สึกแก่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกตายไม่รู้สึกว่าทุกเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาอย่างแรงกล้าเข้ามาเรียนรู้ความจริงนรียนรู้ว่ามันทุกข์อยู่ตลอดนั่นแหละนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะไม่ใช่ต้องรออาการหยาบๆของความทุกข์ให้เกิดขึ้นก่อนเราถึงจะรู้ว่าทุกข์แต่คนทั่วไปเนี่ยอยู่ๆจะมารู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกขนะ์เนี่ยรู้ไม่ได้ หรืออ ย, อยู่จะมารู้ว่าจิตใจคือตัวทุกข์เนี่ยรู้ไม่ได้อินทรีย์เราไม่แก่กล้าพอนะสติสมาธิปัญญาไม่พอมันจะไปเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมันแก่มันเจ็บมันตายจะเห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์นะต่อเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่รักพลัดพลาดจากสิ่งที่รักหรือว่าไม่สมอยากนะถึงจะรู้สึกงั้นถ้าไม่เจอสภาวะที่ไม่ดีเหล่านี้ก็ไม่รู้สึกว่าทุกข์ ศาสตร์ดที่เรายังรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง เ, เรียกว่าเรายังไม่รู้ความจริงนะเพราะฉะนั้นเราไม่เบื่ออย่างเราไม่เบื่อในร่างกายนี้จริงเบือบ่อเบือ่ออยากยากเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาทีก็เบื่อทีนะพอหายเจ็บก็หายเบื่อไปด้วยหรือเวลาพลัดพลาดจากสิ่งที่รักนะรู้สึกโลกนี้ไม่สวยไม่งามไม่น่าอยู่ พอได้เจอสี่งที่รักแเองโลกนี้สวยงามน่าอยู่ขึ้นไปอีกแล้วงั้นเราต้องฝึกนะต้องค่อยๆฝึกพัฒนาสติปัญญาของเราขึ้นไปให้มันเห็นความจริงถ้ามันรู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มันจะหมดความยึดถือในร่างกายแล้วมันจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตจะไม่หวันนะ่นไหวเลยเพราะมันไม่ยึดในร่างกาย แล้วถ้ามันเห็นว่าจิตใจนั้นไม่ใช่ของดีของพิเศษหรอกนำมาทำความรู้สึกนึกคิดตั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เก็นเห็นความจริงนั้นก็เบื่อไม่รู้จะดิ้นรนสแสวงหาทำไมเราดิ้นรนหาความสุขใช่ไหมเราดิ้นรนหนีความทุกข์สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงก็เลยไม่รู้ว่าจะดิ้นรนไปทำอะไรดิ้นรนให้เหนื่อยเปล่า อย่เราดิ้นรนหาความสุขมีความสุขอยู่ได้แวบเดียวเดี๋ยวยก็หายไปอีกแล้ต้องไปดิ้นอีกเราก็ดิ้นตลอดชีวิตเลยดิ้นไปเรื่อยๆหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้สักทีเมื่พอพระพาทธเจ้าท่านเลยสอนให้เรารู้จักความจริงมาเห็นความจริงของรูปนามกาใจนี้เราเห็นความความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจะคลายความยึดถือเพอครคลายความยึดถือก็หลุดฝ้นหลุดพ้นแล้วมันก็รู้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องถามใครหรอกใจมันไม่เหมือนเดิมอย่างพวกเราพาวนาขนาดยังไม่ทันจะได้โซดาเลยเรารู้สึกไ้มใจเราไม่เหมือนเดิมให้เราเปลี่ยนแปลงอย่างเราเคยทำผิดศีลได้หน้าตาเฉยเราพาวนา ม, มาช่วงหนึ่งเราทำผิดศีลไม่ลงแล้วทาผิดศีลไม่ได้มันละอายแก่ใจตัวเองหรือเราไม่กล้าทำความชั่วเรารู้เลยเวลาเราทำตามใจกิเลสเมื่อไหร่นะ สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่างเวลาเราโกรธแรงๆใครเคยโกรธแรงๆไหมมีไหมเวลาเราโกรธใช่ไหมพอความโกรธผ่านไปแล้วใจสบายไหมใจไม่สบายเวลามีราคารุนแรงนะราคาผ่านไปแล้วใจสบายไหมก็ไม่สบายนะแล้วมันเห็นเลยว่ากิเลสครอบงาใจนะแล้วทำความชั่วลงไปนะมันมีผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นใจมันก็สิดสเสียน ใจมันกลัวไม่อยากทําบาปไม่อยากทําอกุศลอะไรเนี่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือบางคนเคยฝึกนั่งสมาธินั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สงบมาฟังหลวงพ่อสอนหันรู้เท่าทันรูปนามของตัวเองไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจหนีไปรู้ว่าหนีไปสมาธิกับเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็รู้ด้วยตัวเองสมาธิเราดีขึ้น ใครรู้สึกตัวว่าสมาธิดีขึ้นบ้างมีไหมนะยกมือหน่อยยกมือโชว์หน่อยมืองนี้มีน้อยอ่ะไม่กล้ายกนะหน้าตามันบอกนะว่าสมาธิดีขึ้นหน้าตาของคนมีสมาธิกับคนไม่มีสมาธิหน้าไม่เหมือนกันนะหน้าตาของคนมีสีนกับคนไม่มีสีก็ไม่เหมือนกันแต่พวกเราดูได้ห ย, ยาบๆหน้าตาของคนโกรธมากๆเราดูออกไหม หน้าตาโกรธมากๆหลวง ม, มันไม่เหมือนกันหรอกหน้าตาของคนมีศีลมีธรรมนะี่ยมันผ่องใสมันสว่างมันเบิกบานอยู่ภายในคนในโลงเบิกบานก็ดีกระดาเพราะอารมณ์มันมาเรา้าถูกเรา้านะเป็นเบิกบานแบบน่าสงสารเบริกบานแบบเหมือนหมาคนก็โยนอะไรให้กินหน่อยก็ดีกระดาดีใจกระโดดโลดเต้นในโลกเป็นแบบนั้นนะ มันไม่เหมือนที่เราหัดภาวนาใจเราร่มเย็นเป็นสุขมันมีความสุขอยู่ภายในมีความเบิกบานอยู่ภายในหรือบางคนหัดภาวนาไปนะก็เห็นแต่เดิมนะไม่เคยรู้เลยว่ากายกระใจนี้เป็นคนละส่วนกันมาหัดภาวนาเราก็เริ่มรู้แล้วว่ากายกระใจมันคนละส่วนกันหรือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะความจําได้หมายรู้มก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกส่วนหนึ่ง ใจที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เดิมไม่เคยแยกได้เลยพอนาไปก็เริ่มแยกได้แล้วก็พบว่าแต่ถ้าส่วนไม่ใช่ตัวเราเนะนี่ยพอภาวนามากๆจะรู้ว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมมีอยู่แต่ไม่ใช่เรานามธรรมมีอยู่แต่ไม่ใช่เรา่าราังจุดสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเห็นตามความเป็นจริงได้หรือเปล่านะ กันหลักใหญ่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เราจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็รู้ด้วยตัวเองนันจิตใจมันไม่เหมือนเดิมอย่างใจแต่เดิมมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตมีที่ตั้งมีการไปมีการมาใจที่มันพ้นไปแล้วไม่มีไม่มีลักษณะอย่างนั้นไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมา ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาอาการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะในภายในภายนอกไม่มีรูปลักษภายในไม่มีความเคลื่อนไหวสิเหล่านี้เรารู้ด้วยตัวเองค่อยๆเห็นไปของเราตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยก็ยุบไปยิบก็ยุบไปยิ ก, ก, ย ก, ย ก, ยกตลอดเวลาเลยค่อยๆฝึกจุดสําคัญคือทําอย่างไร เราจะสามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เราต้องพัฒนาจิตใจของเรานะให้มันคล้ายๆมันเปิดตาภายในขึ้นมาให้ได้เพืก็มันจะได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เรามีแต่ตาข้างนอกนี่นะแต่ใจของเราเนี่ยตาบอดตาหมึดตามัามมวหลงผิดอยู่ตะลอดเวลาเลยไปหลงของไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงาม ไปหลงของไม่เที่ยงว่าเที่ยงโดยหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมันเป็นหลงของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเราจะมาพัฒนาใจของเรานะให้มันมีตาที่จะมองเห็นความจริงขึ้นมาตาที่มองเห็นความจริงเรียกธรรมจักสุขไม่ใช่ตาเนื้อตานเนื้อที่เรามีอย่างนี้ะเรียกมังสาจักสุขตาเนื้อะจะมาพัฒนาตาของใจเรียกธรรมจักสุขจะเห็นสภาว ะ, ะต้องค่อยค่ยฝึก จิตที่จะสามารถเห็นสภาวะรูปนามตรงตามความเป็นจริงได้เนี่ยจะมีความอ่อนโยนนะมีความเบามีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ขยันไม่ขี้เกียจที่จะรู้อารมณ์ไม่เสื่อมซึมถ้าตาเพชนั่งสมาธิแล้วก็ซึ ม, ซมไปเรื่อยพวกนี้ไม่เห็นอะไรไม่มีหูมีตาเลยตาปิดพวกนี้ยมีตามันไม่เปิดขึ้นมา เราจำต้องมาพัฒนานะใจดวงดีโดวงวิเศษที่ให้เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยนะียครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านเรียกใจดวงนี้ว่าจิตผู้รู้เราจะต้องพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาคือใจดวงวิเศษที่สามารถเห็นความจริงของรูปนามได้ใจของคนปกตินะี่ไม่ใช่จิตผู้รู้แต่เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงนะ ไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราเนะี่ยหลงตลอดเวลานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแท้จริงแล้วมันหลงได้ทั้งหกช่องทางเวลาเห็นรูปมันก็หลงไปดูเวลาได้ยินเสียงนะก็หลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจ ความหลงที่เกิดบ่อยที่สุดมันก็คือหลงทางใจบางทีตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตายังไม่เห็นรูปเลยหูก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆขึ้นมาใจก็คิดละตื่นปุ๊บคิดปับ๊บบางทีคิดมาก่อนตื่นใครเคยเห็นไหมตอนนอนหลับมันก็คิดได้นะตอนนอนหลับที่มันคิดเนี่ยก็เรียกว่าฝันตอนตื่นมันฝันอยู่ตอนตื่นนี่ก็เรียกว่ามันคิดที่จริงเนปะ็นสภาวะแบบเดียวกันใจมันปลุงใจมันคิดนั่นเอง ในัใจมันจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาความคิดก็เลยปิดบังไม่ให้ใจเห็นความจริงเพราะมันมัวแต่หลงไปอยู่กับความคิดอย่างเราคิดนะเราเป็นผู้หญิงเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลเนี่ยนะคิดแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปเรื่อยมันหลงอยู่กับความคิดความจริงไม่เป็นนะเป็นใ ย, ยเฟืองเป็นใ ย, ยปลาอยู่อะไรนะดูไม่ได้เลยแต่เราว่าเราสวยสวยแล่นะนั่งสองกระจกสวยเหลือเกิน คิดจะเป็นอะไรก็ได้คิดอยากเป็นนายกก็ได้คิดอย่างน้นคิดอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงไม่ได้เป็นนั้นความคิดกับความจริงคนละเรื่องกันคนส่วนใหญ่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้เราต้องถอนตัวเองนะออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรับรู้โลกของความรู้สึกตัวนะวิธีการเนะี่ยจะต้องค่อยๆฝึก ให้คอยรู้ทันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเช่นเราหัดพุดโธพุดโธไปจิตมันไหลไปคิดให้เรารู้ว่ามันไปคิดแล้วไม่ห้ามนะอย่าไปห้ามมันหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าไม่ได้รู้เอาความสงบแต่รู้แล้วคอยรู้ทันจิตหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกอยู่ได้สักพักเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้ว หายใจแล้วก็ลืมการหายใจไปมันจะไปคิดเรื่องอื่นเวลาที่เราไปคิดเรื่องต่างๆเรารู้เรื่องราวที่คิดรู้สึกไหมการคิดของเรานะถ้าเราคิดได้แรงๆเนีมันจะรู้เรื่องราวที่คิดถ้าคิดเบาๆนะไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรรู้สึกไหไม่คิดได้2แบบนะความจริงมันจะคิดแล้วมันรู้เรื่องหรือมันจะคิดแล้วมันไม่รู้เรื่องนะปกติของมันเลยมันลืมตัวเองไป มันจะนั้นมีร่างกายมันก็ลืมร่างกายไปมีจิตใจมันก็ลืมจิตใจไปเพราะธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วนะ่ะมันจะมารู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ได้เป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าคนในโลกนี้หลงอยู่แต่นโลกของความคิดตื่นนอนมาก็คิดคิดไปเจอทั้งนอนหลับหลับไปแล้วก็ฝันต่อไปอีกคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับก็มไม่สามารถที่จะรู้รูปนามได้ ดังนั้นโอกาสที่จะเห็นความจริงของรูปนามเนี่ยยิ่งไม่มีใหญ่เลยกระทั่งรูปนามยังไม่เห็นเลยอย่างเวลาเราคิดเราใจลอยไปรู้สึกไหมเราลืมร่างกายนะร่างกายเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ดูง่ายๆเลยนะเราคนยุคนี้ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือนะสมัยก่อนก็เดินโทรนะเดี๋ยวนี้ก็จิ้มจิ้มไม่ค่อยตัวแล้วละ่ะกดเอากดเอานะสังเกตไหมว่าขณะที่เขากดกดเนี่ยนะเขามีร่างกายเขาก็ลืมร่างกายของเขาเอง ดูออกไหมมันนั่งเดินๆไปเรื่อยๆมีจิ้มๆไปเรื่อยๆมีร่างกายก็ลืมร่างกายจิตใจของตัวเองจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะมันหลงไปมันห ล, ลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเราจะต้องปลุกตัวเองนะให้ตื่นให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงให้ได้วิธีที่ใจจะตื่นขึ้นมาเนี่ยอาศัยสติรู้ทันใจที่ไหลไปคิด ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตให้มีคุณภาพซะก่อนอยู่ๆเราเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพนะไปทําวิปัสสนาทําให้ได้จริงหรอกอย่างบางคนไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะดูท้องฟ อ, องยุบยกเท้าอย่างเท้าหรานนือทํากรรมฐานนั้นโน้นทํากรรมฐานนั้นนี้ใช้จิตซึ่งไม่มีคุณภาพไปทําไม่ได้ผลหรอกได้แต่ไปเพ่งดูท้องก็เพ่งท้องนะดูเท้าก็เพ่ ง, ทงทเงท้าดูมือก็เพ่งมือ ดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจใจก็แข็งแข็งทื่อๆไปใจก็ทื่อๆร่างกายก็แข็งทื่อๆใจก็แข็งทื่ๆอๆเราจะไปเห็นความจริงของร่างกายจะไปเห็นความจริงของจิตใจได้ไงมีแต่ความแข็งทื่อๆไปหมดงั้นต้องฝึกนะสิ่งที่ผิดที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาได้นะแล้วก็รู้รูปนามตรงตมามความเป็นจริงได้ อันแรกเลยคือมันหลงไปมันลืมตัวเองมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดอันที่สองคือการที่มันบังคับตัวเองมันรู้สึกตัวนะแต่มันบังคับไม่แข็งทื่อๆถามว่ารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวตื่นไหมไม่ตื่นหรอกกําลังฝันอยู่ฝันว่าอะไรฝันว่าเป็นนักปฏิบัติผู้จริงจังผู้เข้มแข็งนะฮะตามทื่อๆไปได้กินหรอกเมื่อกี้ที่หัวเราะรู้สึกไหม ตัวอะไรหัวร้อนึกออกไหมตัวหลงหัวล้อถ้าเรามีสติอย่างขณะ น, นี้เรารู้สึกรู้สึกไหมตัวอะไรยิ้มรูปมันยิ้มตัวอะไรพยักหน้ารูปมันพยักหน้าแต่พอเหลือนะตัวอะไรยิ้มตัวตัวหลงมันยิ้มไปไม่ได้รู้สึกในรูปในนามอะไรงั้นต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งดูกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราสบายใจ ถ้าพุทโธเราสบายใจแล้วก็พุทโธหายใจแล้วสบายใจแล้วก็หายใจน้ำมาพ้าวทะเราสบายใจกใจ็น้มะพาา้าวทะไปอะไรก็ได้เดินจงกรมแล้วสบายใจแล้วก็เดินไปทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันเวลาใจมันหลงไปไหลไปนะใจไหลไปคิดเรารู้ไหลไปนะไลคิดเรารู้ลองฝึกตัวซีสักสองนาทีนาทีหนึ่งก็ได้สองนาทีนานไปนะทํากรรมฐานหายใจไปพุทโธไป แล้วค่อยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดลองทำดูสักแป๊บหนึงแล้วเดี๋ยวบอกหลวงพ่อนะว่ามันแอบไปคิดจีรอบอพอลนะนั่งนานเดี๋ยวหลับใครหลงไปคิดหนึ่งครั้งยกมือซิมีไหมคิดหนึ่งครั้งมีัหมใครคิดสองครั้งใครคิดห้าครั้งมีไหมช่างเยอะแล้ว ใครคิดสิบครั้งนั่งแป๊บเดียวนะนะใครเกินสิบย้งสอิเกินสิบนี่เก่งถ้าหนึ่งครั้งไม่เก่งเลยหนึ่งครั้งไม่เก่งเลยเพราะอะไรแสดงว่าหลงยาวนะไม่รู้สึกสติหลงไปนานเเกือบหนึ่งนาทีแล้วเ้ยหลงไปนะดดตัวเึ้นมา <laughs> งั้นถ้าจะยิ่งพอนาเก่งนะยิ่งหลงบ่อยแต่ไม่หลงนาน หลงไปคิดนะั่นแหละตัวหลักเลยมัใจใจใจะไหลแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกไปเรนะื่อยงั้นถ้ายิ่งหลงบ่อยนะแสดงว่าสติเกิดได้เร็วถ้าหลงไม่บ่อยมีสองพวกคือพวกหลงนานกับพวกติดเพ่งถ้าเพ่งอยู่ในนิ่งอย่างเงี้ยไม่หลงนะ่ะรู้ตัวแต่นิ่งๆเฉ ย, อยๆอยู่มัมีสองจำพวกพวกดีกับพวกไม่ดีพวกดีคือพวกติดสมาธิพวกนี้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าติดเหล้าติดเบีย ติดยานะพวกไม่ดีก็คือพวกหลงใจลอยไปเลยนะค่อยๆฝึกแล้วเราจะค่อยๆสังเกตเห็นว่าความหลงของเราจะสั้นลงเรื่อยเนะวลาหลงนะั้ส่วนใหญ่ก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นเองนะใจมันก็ไหลเรื่อยๆ ใ, ใ, ใช่ไหมให้เรารู้ทันว่ามันไปแล้วไม่ห้ามนะแต่ว่ารู้ไวๆเวลาใจไหลเรารู้ไหลเรารู้เนี่ยต่อไปเนี่ยเนี่ี่ยเนี่ยหนีแล้เห็นไหม ต่หน้าต่อตาเลยเห็นไหมเข้าใจเราค่อยดูไปนะหัดไห้ปั้าัยไหลเรารู้ไหลเรารู้ต่อไปจิตมันจะจำสภาวะที่เคลื่อนได้มันจำสภาวะที่ไหลได้เพราะฉนั้นพอไหลปั๊บนะสติจะเกิดเองเพราะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้สติเป็นอนัตตาอยู่ๆสั่งสติให้เกิดไม่ได้แต่เราทำเหตุของสติไดนะ้คือการ จำสภาวะได้แม่นเราจะจำสภาวะได้แม่นเนะี่ยเมื่อเราเห็นสภาวะบ่อยๆเงั้นเราก็หายใจไปบุตโธไปนะแล้วถ้ามันไหลเรารู้ไหลเรารู้ต่อไปมันจำสภาวะที่จิตไหลได้เราจำสภาวะที่จิตไหลได้พอไหลปุ๊บมันจะรู้ปั๊บเลยสติมันจะเกิดเองฝึกบ่อยๆนะตัวนี้เป็นรากฐานที่สําคัญมากเลยเพราะสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพอใจเราไหลไปเรามีสติรู้ทันปั๊บเนี่ย นะสติก็เกิดสมาธิก็เกิดเพราะอะไรในขณะที่รู้ว่าจิตไหลไปนะีจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปเป็นจิตอกุศลเป็นจิตฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลหรือจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะ่ะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติเนี่ยเราต้องมาค่อยๆฝึกจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ขึ้นมา ฮัตใหม่ๆเนะี่ยมันจะรู้ได้สั้นๆนเดี๋ยวก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกในสุดตัวรู้เนี่ยจะค่อยๆถีนะ่จะรู้ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นรู้ได้ถี่ยิบขึ้นมาจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันนะแต่ความจริงมันจะรู้เป็นขณะขณะเท่านั้นเองเป็นคณิกะสมาธินี่คือ ส, สมาธิที่เรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธิพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะเจริญปัญญามาด้วยคณิกะสมาธินี่เอง นะอาศัยคณิกาสมาธินี่เองท่านที่ได้ฌานสมบัติอะไรเนี่ยแล้วไปเจริญปัญญาในฌานหรือเข้าฌานแล้วออกมาเจริญปัญญาอะไรเนี่ยมีน้อยกว่าคนที่อยู่ในโลกธรรมดาอย่างนี้นะท่านที่บรรลุส่วนใหญ่นะก็อยู่อย่างพวกเราธรรมดานี่เองแต่ว่าสตินั้นเกิดที่ยิบขึ้นมาจนกระทําสมาธิมันตั้งมั่นขึ้นมา มันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งพวกเราทายากในยุค ข, ของเราที่จะให้ได้ตัวรู้ที่ดีคือการทำฌานอย่เราหายใจเนะียคราวนี้เรามุ่งไปที่ความสงบเราน้อมใจไปอยู่ที่ร่างกายที่หายใจหายใจใช้ใจที่สบายไปรู้การหายใจที่สบายๆอารมณ์สบายนะอารมณ์มีความสุขใจที่ไปรู้อารมณ์ก็มีความสุขถ้าความสุขกับความสุขเป็นเจ้าเอกกันอย่างนี้นะสมาธิจะเกิดขึ้น เวลาที่เรารู้ลมหายใจแล้วพอใจสงบเนี่ยลมหายใจจะค่อยๆตื้นค่อยๆหายไปพอลมหายใจหายไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแสงจะกลายเป็นแสงสว่างลรวก็รู้ที่แสงสว่างในสุดจิตมันมีปีตินะมีความสุขมีความสงบขึ้นมาแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตมันปล่อยวางมันไม่ไปจับที่แสงไม่ไปจุดไม่ตรองไม่ไปคเคล้าเคลียร์ที่แสงมันทวนกระแสเข้ามาอยู่ที่จิตตรงนี้ ตัวรู้จะเกิดขึ้นจะเกิดในฌานที่สองนะฌานที่1เนี่ยยังมีวิตกมีวิจารณ์ยังเคล้ายังเคลียอยู่กับแสงนะแต่ฌานที่สองเนี่ยทิ้งแสงไปเลยนะจับเข้ามาที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเราได้ตัวรู้ในฌานที่2เนะี่ยพอออกจากฌานแล้วตัวรู้เนี่ยจะเข้มแข็งจะอยู่ได้หลายวันนะจะอยู่ได้หลายวันตอนหลับไปมันก็หายไปแหละพอตื่นขึ้นมานะี่ยมันจะกลับมาอย่างรวดเร็วเลยตัวรู้เนี่ย จะตั้งมัน่นทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้แต่ไม่เกินเจ็ดวันก็เสื่อมนะถ้าเราฝึกสมาธิทุกวันตัวรู้เราจะเข้มแข็งไม่เสื่อมมันเหมือนไม่เสื่อมที่จริงมันเสื่อมแต่ว่ามันได้ของใหม่ทดแทนอยู่ด้วยได้ถ้าคนเขาได้ตัวรู้มาด้วยวิธีนี้ตัวรู้เขาเข้มแข็งนะจะเป็นเจริญปัญญาอะไรเนี่ยสะดวกว่องไวแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิที่ดีอย่างนั้นเราอาศัยคณิกะสมาธินี่แหละสมาธิชั่วขณะแต่มีบ่อย จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะทุกคราวที่รู้นะสมาธิที่ดีก็เกิดขึ้นแต่เกิดชัว่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ละขณะถ้าเกิดบ่อยๆมันก็เหมือนกับต่อเนื่องนะก็เอาไว้ใช้เดินปัญญาได้เพราะฉพวกเราต้องฝึกนะทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนอกจากได้สติได้สมาธิแล้วบางคนเนี่ยสามารถใช้การที่รู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยจเจริญปัญญาได้ด้วย เวลาจิตที่ไหลใครเคยเห็นจิตที่ไหลไปบ้างยกมือซิมีไหมสังเกตไหมจิตที่ไหลเนี่ยมันไหลได้เองเนี่ยถ้าเราดูไปนะถ้าลําพังเห็นมีสติรู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยได้แต่สติถ้าใจมันปิ๊งขึ้นมานะ่ะมันมีสัญญามีการไปหมายรู้นะว่ามันเป็นไปเองมันไม่เที่ยงมันเป็นไปเองอย่างเนี้ยมันเดิดปัญญานะมยู่ที่จิตว่าจิตจะรู้จักมองสภาวะธรรมนั้นอนะ่ะ ในมุมของใจรักษหรือไม่ถ้ามองรูปธรรมเป็นรูปธรรมมองนามธรรมเป็นนามธรรมได้แต่สตินะแต่ถ้าจิตมันรู้จักฉลาดมันหมายรู้ลงไปว่ารูปธรรมนี้เป็นตัวทุกรูปธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเรานี้จิตมันเดินปัญญาหรือจิตมันฉลาดมันหมายรู้ว่านามธรรมนี้ไม่เชี่ยงนามธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตมันเดินปัญญาอยู่แม้แต่มันอยู่ที่ว่าจิตรู้จักไปมองมองรูปนามในมุมของความเป็นไจรักษณ์หรือไม่ ถ้ามันไม่ยอมมองมันเห็นแต่รูปเห็นแต่นามอย่างเห็นท้องพองเห็นท้องยุบไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยไม่เป็นวิปัสนาหรือนั่งดูร่างกายเนี่ยเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยังไม่ใช่วิปัสนานี่เห็นรูปธรรมทอนนั้นเองต้องเห็นใจรักนี่จะเห็นใจรักได้จิตต้องมีสัญญาความหมายรู้ในมุมของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าสัญญาไม่เกิดเนี่ยอาศัยความคิดเอาคิดโน้มนำไป อย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่านีนั่งสมาธิออกมาจากสมาธิแล้วใจมันนิ่ ง, งๆเฉยๆท่านพิจารณาร่างกายเลยมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชิดไปเรนะื่อยนะพิจารณาไปพอใจฟุ้งสร้างกลับมาทําความสงบอีกพอสงบแล้วออกมาแล้วมาพิจารณาอีกเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองนะรูปนามในมุมของความเป็นไตรลักษณ์นี่เป็นอุบายนะเป็นอุบายบางคนไม่ต้องทําอย่างนี้ บางคนพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเห็นรูปนามแสดงใจรักเลยเพราะว่าเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนนะใครไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีจริงบ้างมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะเชื่อเข้าไปได้ไงไม่เคยเห็น <c oughs> ใครคิดว่าตายแล้วศูนย์มีไหมไม่มีนะก็ดีนะทั้งเว้นต้องพูดกันยาวเลยใครไม่เชื่อว่าโอปปาติกะมี ผีมีเทวดามีใครไม่เชื่อไม่ต้องเกรงใจมีไหมทําไมเชื่อง่ายอย่างนั้นอ่ะเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นเทวดาเห็นผีเหรอแล้วว่าเชื่ออะไรเงี้ยความเชื่ออย่างนี้เป็นพื้นฐานที่ดีนะเป็นพื้นฐานที่ดีมันจะทำให้เรากลัวบาปกลัวกรรมไม่กล้าทําชั่วเราพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อว่าชีวิตมันจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ท้ามัคิดว่าตาเราศูนย์ไม่ต้องทําอะไรมา ก, กชาตินี้มันก็กอบคุยหาความสุขไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าเราเชื่อในยานทัศนะของพุทธเจ้าพุทเจ้าสอนไว้ถ้าเราเชื่อแล้วเราอาศัยศรัทธาแล้วเราลงมือปฏิบัติแล้ววันหนึ่งเราเห็นตามอนนั้นศรัทธาเราจะแน่นแฟนเนี่ยทุกวันนี้เรามีศรัทธาแต่ศรัทธาเราจะเปลี่ยนไปเปลีป่ย น, นมาบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาบางวันก็ศรัทธามาก บางวันก็ศรัทธาน้อยะแข่งไปแข่งมาบางคนเวลาศรัทธาขึ้นมานะก็ประกาศเลยจะไม่แต่งงานจะไม่มีเมียอย่างนี้นะพอศรัทธาลดลงจะแต่งงานจะมีเมียแต่จะไม่มีลูกนะถัดไป <c oughs> เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะพ <c oughs> อเบื่อเมียขึ้นมานบอกศรัทธาอีกแ ล, แล้วจะเลิกกับเมียะ <c oughs> จะไปบวชอย่างเงี้ยใจก็กลับกรอกเนี่ยค่อยๆฝึกยิ้มหวา น, วานยิ้มหวานหวาน เ้าเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจัหมเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งไหมตอนนี้ร่างกายนั่งใจเป็นคนดูร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูฝึกไปเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะจะรู้ลมหายใจแล้วก็คอยรู้ทันใจก็ได้นะหรือจะฝึกเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว เราใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้อย่างถ้าใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานก็เรียกป็นอนณตตา น, น, า น, าานาัสติบับพภะถ้าเราใช้อิริยาบถสี่ก็เรียก อ, อิริยาบถบับพะถ้าเราใช้การเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งนี้เป็นเครื่องรู้ของจิตก็เรีรยกสัมปชัญญะบับพภะนี่มัน อ, อยู่ในหมวดกายด้วยกันทั้งนั้นะง่ายๆเพราะอะไรกายไม่เคยหนีไปไหนฮะ มีอยู่ทุกวันอนะ่ะคอยรู้สึกมันเสียใจร้อยนะแล้วคอยรู้สึกอยู่ที่กายเนี่ยแล้วถ้าใจหนีไปนะรู้ไวๆนะเนี่ยถ้าใจไม่หนีไปมันจะเห็นเดี๋ยวร่างกายก็หายใจออกร่างกายก็หายใจเข้าเดี๋ยวร่างกายก็ยืนเดินนั่งนอนเตนิยบทไปเรื่อยนั่งอยู่ก็ขยับไปขยับมาจะเห็นความจริงของมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเรานะทั้งกายทั้งใจเนี่ยแหะแต่ถ้าเราไม่ฝึกกรรมฐาน ไม่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างเดียวมันจะหนีไปนานเลยงั้นเราไปดูตัวเองนะใช้กรรมฐานอะไรที่จะสบายใจอย่างใช้ยิริยาบถก็ได้ตอนนี้สังเกตไหมนั่งอยู่แต่ลืมที่ตัวเองนั่งแอบไปดูคนอื่นหมใครมาวะกลัวหลวงพ่อรู้ด้วยก็แอบอย่างเนี้ยในเมฆขณะนั้นอ่ะมีกายลืมกายมีใจลืมใจ ใจอยากดูไม่รู้ว่าอยากดูใช่ไหมร่างกายแอบชำเลืองไม่รู้ว่าร่างกายชำเลืองแต่ว่าความสนใจมันไปอยู่ที่วัตถุที่เราต้องการรู้เนี่ยเราใจมันจะหลงอย่างนี้นะนั่ยต่อไปนี้พยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆความรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกั่ตัวนะสติสมาธิอะไรนะเป็นฐานที่สำคัญจะทำให้เราเจริญปัญญาได้คล่องแคล่วถ้าเราเจริญปัญญาได้ถูกต้องนะ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ส่งสมาธิที่ถูกต้องคือมีความตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางไม่นานปัญญาก็จะเกิดจะเห็นความจริงรูปธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเรานามธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเรารูปธรรมนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนามธรรมมีแต่ตัวไม่เที่ยงนีแต่ตัวบังคับไม่ได้เนี่ยสุขก็บังคับไม่ได้ไม่เที่ยงทุกข์ก็บังคับไม่ได้ไม่เที่ยง สังอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งแต่ปลุนตลอดเวลาตัวรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวก็กลายเป็นตัวหลงตัวหลงก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปคิดนะคนทั่วๆไปเขาไม่มีตัวรู้นะมีแต่ตัวหลงแต่ตัวหลงเขาก็ไม่เที่ยงเพราเดี๋ยวก็หลงดูเดี๋ยวก็หลงฟังเดี๋ยวก็หลงดมกลิ่นหลงริ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจ แต่ถ้าเราปฏิบัตินะเรามีตัวรู้ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีตัวรู้เดี๋ยวก็มีตัวหลงส่วนอยากที่จะหลงไปคิดเรากเห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงตัวหลงเองก็ไม่เที่ยงเนี่ยเศร้ารู้ของจริงถ้าเราเห็นของจริงอย่างนี้เรื่อยๆนะเรารู้ได้ใจที่รู้สึกตัวมีสติเป็นเครื่องมือคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เห็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่นะ ในที่สุดเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้นะถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเป็นลำดับลาดับไปไม่ใช่เรื่องยากหรอกอ้ า, หาวหายใจแรงแรงทีเดียวหายใจละอ้าปานะกรู้สึกสบายขึ้นไหมยอย่าทำตลอดนะมันยวเหมือนหมาหอบนะนานๆทำตีเวลาใจเราขมวดขมวดนะ เวลาใจเราตึงเครียดนะเงี้ยนะถ้าดีหน่อยนะเงยหน้าด้วยเงี้ยหูตามจะเปิดขึ้นมาใจมันจะสว่างขึ้นมาได้เวลาพวกนั่งสมาธิอะสังเกตดูเถอะเวลานั่งแล้วเคริมเคลิ้มแล้วมงดดลงอย่างงี้นะเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็ลืมตาขึ้นมานะเงยหน้าสักหน่อยปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาปลุกสติปลุกความรู้สึกตัว ปลุกสมาธิให้ใจมันตื่นอย่าปล่อยให้ใจหลงให้ใจเคลิ้มไปนั่งสมาธิแล้วก็หลงเคลิ้มเคลิ้มไร้สาระที่สุดเลยเนีย่ยต้องรู้สึกตัวก่อนจะเทศก็มีคนมาถามเรื่องนั่งสมาธิว่านั่งไปแล้วมันหายไปหมดเลยร่างกายก็หายจิตใจก็หายดีไม่ดีไม่ ด, ไมดีไม่มีสตินะแล้อย่างนั้นนั่งแล้วเป็นลมลุกฟักเคยได้ยินไหมลมลุกฟักรู้จักฟักไหม บางคนอ้างรู้จักพรหมลูกฟักแต่ฟักเป็นไงไม่รู้จักรู้จักแต่แปงนี่งั้นต้องมีสติกระทั่งเวลาจิตรวมลงไปนะร่างกายหายไปนะความคิดนึกอะไรหายไปหมดเลยจิตยังเป็นผู้รู้อยู่เลยไม่ขาดสตินะเป็นผู้รู้เด่นดวงไม่ได้คิดนึกอะไรสว่างสวยัยรู้ตัวอยู่ข้างในนะแต่ร่างกายก็ไม่มีนะอะไรอะไรก็ไม่มีถึงขนาด น, นั้นนะ ไม่ใช่ว่านั่งไปแล้วก็วนั่งสมาธิแล้วก็หมดความรู้สึกตัวานั่งแล้วหมดความรู้สึกตัวนี่ใช้ไม่ได้เลยขาดสติะไม่ได้อะไรเลยไปนอนซะดีกว่า <lifecycle. S 1> นั่งแล้วนี่สายเสียงั้นไม่จริงสตินะให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวรู้สึกสบายๆอย่างนี้ไม่สบายอย่างนี้รู้สึกเ มันอึดอัดเกนนินตึงเครียดไป น, นอย่างนี้ไม่ปัญญาไม่เกิดหรอกใจมันจะตึงเครียด้วรู้สึกสบายสบายไปพอไหวไหมไม่ยากนะเขารู้สึกตัวได้แล้วก็แยกขันวันนี้หลวงพ่อพูดมันเบสิกมากเลยนะเพราะว่ามีคนใหม่ๆมาเยอะเหมือนกันงั้นเลยสอนค่อนข้างเบสิกนิดหน่อยสอนว่าทำไงให้สติเกิดทำไงให้สมาธิที่ถูกต้องเกิด ก็ ท, ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปฝึกทุกวันทุกวันต่อไปจิตจำสภาวะที่ไหลได้แม่นพอไหลปุ๊บสติเกิดเองนี่ฝึกให้สติเกิดพอสติเกิดสติระลึกรู้จิตที่ไหลจิตที่ไหลก็จะดับจิตที่รู้คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้น นี่พอจิตทรงสมาธิถูกต้องเกิดขึ้นแล้วอย่างพวกเราเนี้ยจะมีจิตผู้รู้นะในห้องเนี้ยจำนวนมากเลยมากเกินครึ่งนะที่จิตมันเป็นผู้รู้ได้แล้วละ่ะแต่ว่าพอมันจำได้ว่าจิตผู้รู้หน้าตาอย่างนี้นะจงใจทำขึ้นมาได้ใครเคยจงใจรู้สึกขึ้นมาบ้างใจมันจะเป็นผู้รู้นะแต่รู้แข็งแข็งรู้สึกไหมจะรู้แข็งแข็งเนื่อต้องเรื่องนี้นะ รู้สึกเทมากเลยรู้ตัวได้ทั้งวันเลยจะยิ้มจะหัวเราะจะอะไรนะไอ้ตัวนี้มันนิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าภาวนานะแล้วทุกตัวเคลื่อนไหวแต่เหลือใจนิ่งอยู่ตัวเดียวผิดนะอีกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่บรรลุธรรหรอกเพราะมันเหลือตัวเที่ยงเอาไว้ตัวหนึ่งมันต้องไม่เที่ยงทั้งหมดนะตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ไปปั๊มตัวรู้ขึ้นมาสร้างตัวรู้เทียมวิธีสร้างตัวรู้เทียมทาได้สองแบบ เวลาสอนอย่างหลวงพ่อเห็นไหมแจกแจงให้ฟังนะทําไมแจกแจงได้เยอะก็ เ, ะเคยทําผิดมาเยอะอนะลองมามากมายนะอย่างนี้จะใช่ได้ไหมให้ได้ไหมลองมาตั้งเยอะแยะแล้วก็พบว่าไม่ได้สักอันหนึ่งนะแล้วอันไหนได้อันที่ไม่ได้ทําอะไรรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละ ไ, ได้แต่ว่ามันอดทําไม่ได้หรอกมิติทาตัวรู้ปลอมนะอันนึงดึงจิตขึ้นมาออกจากอารมณ์อันที่สองผลักอารมณ์ออกไปจัดจิตมันก็แยกตัวรู้ขึ้นมาได้นะแต่ตัวรู้นี่จะแข็งทื่อ นะโดยเฉพาะอประเภทแยกขึ้นมาแยกตัวรู้ขึ้นมานี่นะมนส่วนมากจะเอาตัวรู้ไว้ตรงนี้นะแล้วก็เหมือนดาวเทียมมองลงมาข้างล่างเนี่ยร่างกายเคลื่อนไปไรู้สึกหมดเลยไปเต้นโขนอะ่ะถ้าจะสวยนะเหมือนคนอื่นดูไปจีนนะตัวนี้เต้นเลอกแๆก็แยกได้นี่ตัวรู้จำปลอมตัวรู้จริงอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกหรอกนะถ้าแยกกันอยู่คนละที่เสดงวตัวรู้ปลอมตัวรู้จริงอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก รู้สึกไปรู้สึกไปค่อยๆฝึกนะไม่ยากงั้นค่อยๆฝึกไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดหรือจิตมันหลงไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็ได้อย่างเรารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็เรียกว่าหลงเหมือนกันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เคลื่อนไปอยู่ที่มือเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องค่อยรู้ พอรู้แล้วต่อไปเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนานะแล้วถ้ารู้บ่อยๆนะสติก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆพอไหลปุ๊บรู้ปับ๊บไหลปุ๊บรู้ปับ๊บตัวรู้ก็จะเด่นดวงขึ้นมานะได้ทางสติได้ทางสมาธิแล้วโอกาสที่จะเกิดปัญญาไม่ยากแล้วลวนะแล้วก็แยกรูปนามใจเป็นคนดูแล้วนี่มีสมาธิแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์ เกิดมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปใจเป็นคนดูนะเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปใจเป็นคนดูอย่างนี้แหละเดินปัญญานะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงใจเป็นคนดูนะร่างกายไม่ใช่เราร่างกายมีแต่ความทุกข์บิบคั้นอยู่ค่อยๆรู้สึกไปร่างกายทุกข์นะใครนั่งแล้วยังไม่เกาเลยมีเอมนะบางคนนนั่งฝึกมาดีไม่กระดูกรดิก็คันแทบตายเลยนะ แต่ถ้าไม่มีคนเห็นก็เก่าถ้ายังมีคนเห็นนี่ไม่ปลอยอดทนร่างกายนั้นทุกตละเวลาเลยหนาก็ทุกนะร้อนก็ทุกหิวก็ทุกกระหายน้ำก็ทุกปวดออปวดฉี่ก็ทุกนั่งนานก็ทุกนอนนานก็ทุกรู้สึกนอนเป็นทุกบ้างยังใครรู้สึกว่านอนเป็นทุกบ้างยกมือสิเห็นตรงนี้บ้างยังถ้าเห็นได้ไม่ประมาทนะ แตดงว่ใช้ได้หลวงพ่อนะั้นนอนเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่านอนเป็นสุขเลยนะมันเป็นทุกข์ในอิริยาบถอื่นมันก็มานอนเพื่อจะแก้ทุกข์ของอิริยาบถอื่นนอนแล้วก็ทุกข์นะแล้วก็เห็นร่างกายมันทุกข์มันก็ต้องพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันก็ดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามีสติเราค่อยรู้ค่อยดูไปได้มีแต่ทุกข์ในร่างกายนี้ไม่มีของดีของวิเศษอะไร ในจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงถ้าเห็นอย่างนี้นะต่อไปใจก็เบื่อร่างกายนี้น่าเบื่อความสุขความทุกข์อะไรก็น่าเบื่อความดีความชั่วก็น่าเบื่อทุกอย่างเสมอกันหมดเลยถ้าใจเบื่อด้วยปัญญาเนี่ยนึกว่าใจมีนิพนพิท า, านิพพิทาญาณมีปัญญาเบื่อไงมันจะไม่เหมือนเบื่อทางโลก เบื่อในโลกเนี่ยมันเบื่ออย่างหนึ่งนะมันจะไปเอาอย่างอื่นนะอย่างเบื่อเมียคนนี้มันจะไปหาเมียใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นิพพิทานะบางคนมาบอกหลวงพ่อหมูนี้ผมเป็นนิพพิธาเบื่อภรรยาที่ชอบคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่นิพพิทานิพพิทาเนี่ยมันมันทุกอย่างมันเสมอกันเลยสุขกับทุกเนี่ยน่าเบื่ออะไรอะไรก็น่าเบื่อร่างกายนี้ก็น่าเบือ่อเนี่ยไม่ใช่จะเบื่ออย่างนี้แล้วจะไปเอาอันอื่น พอเห็นอย่างนี้แล้มันจะเบื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันเบื่อพอเบื่อแล้วมันจะคลายความยึดถือนะแต่ก่อนจะทายความยึดถือได้มันก็ต้องดูให้นานๆหน่อยนะเห็นทีแรกพอเบื่อแล้วมโมโหเลยบางทงเบื่อไปเบื่อมาพลิกไปเป็นโมโหอีกนะลำคาญขึ้นมาเมื่อไหร่จ ะ, ะพ้นสักีวะไอ้นี่ก็น่าเบื่อนี่ก็น่าเบื่อแล้วกูจะเอาอะไรวะเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปสิอีกนะค่อยๆดูอดทนนะดูแล้วดูอีก ครับ ถ, ถ้าดูเห็นความเบื่อเกิดขึ้นแล้วมันมาครอบใจเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโทสะให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบถ้าใจเบื่อไม่เป็นไรนะออแต่ถ้าใจไม่ชอบนี่นไม่ชอบนี่อุณิญญที่มันนี้โทสะแทรกแล้วไม่ใช่เบื่อด้วยปัญญาแล้วจะพลิกไปพลิกมาได้ต้องคอยระวังบางคนดูร่างกายเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามเห็นปฏิกูลเป็นอาสุพทาเบื่อร่างกายแล้วฆ่าตัวตายนะมีนะสมัยพุทธกาลพระฆ่าตัวตาย จำนวนมากเลยบางองค์ไม่กล้าฆ่าตัวเองก็ไปจ้างคนอื่นฆ่าเอาอะไรเป็นฆ่าจ้างเงินก็ไม่มีเอาบาทและจีวรไปจ้างให้เขาฆ่าพระเจ้าถึงบัญญัติพระวินัยไม่ให้พระฆ่าตัวตายในบทวินัยที่บอกห้ามฆ่ามนุษย์น่ะมาจากพระฆ่าตัวตายไม่ให้พระไปฆ่าคนอื่นนะท่านห้ามถ้าพระฆ่าตัวตายนี่ปาราชิกเลยปาราชิโกโหติอสังวาสโสมไม่ครบด้วยแล้วแล้วเราค่อยรู้สึกเอา อายิ้มหวานทำอะไรไม่ได้ยิ้มไม่ก่อนจำไว้นะสานักของเราเนี่ยสานักยิ้มแยม้มเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสุขขาปฏิปทาต้องมีความสุขทำไมต้องมีความสุขความสุขทำให้เกิดสมาธินะสติก็เกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นงั้นดูสภาวะไปด้วยใจที่สบายนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแยกธาตุแยกขันดูธาตุดูขันแสดงใจรัก ไปเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้ธรรมะใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่มากในการที่จะเปลี่ยนตัวเองธรรมะของพระ เ, เจ้าถ้าเราปฏิบัติถูกหลักนะจะได้ผลอย่างรวดเร็วไม่ใช่หลายปีก็เหมือนเดิมหลายปีเหมือนเดิมเรืงทำผิดหรือว่าทำถูกก็จริงแต่ว่าขี้เกียจนานๆทำทีแต่ถ้าเราทำสม่าเสมอทำถูกนะได้ผลเร็วเราคงไม่โง่จนทาไม่ได้หรอก โดยพื้นฐานเราคนปานกลางไม่ใช่เก่งมากก็ไม่ได้แย่มากคนทั่วๆไปนี่แหละธรรมะของผู้เจ้านี่พอดีพอดีสำหรับคนทั่วๆไปไม่ใช่อัจฉริยะเท่านั้นถึงจะทำได้ฝึกนะแล้วชีวิตจะได้ดีกว่านี้อีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าสมส ม, มตินะสมมติเกิดสงครามโลกนี่เกิดคนโน้นคนนี้บุกมายึดเชียงใหม่อ่างเงี้ยสมมตินะ เราจะอยู่ยังไงอยู่อย่างทุกหรืออยู่อย่างไม่ทุกในเวลาที่ชีวิตมีปัญหานะคือเวลาที่จะทดสอบว่าสิ่งที่เราฝึกมามันได้ผลแค่ไหนไปลองทำเอานะนะส่งกัดบ้านวันนี้เทศง่ายง่ายเออนึกว่าวันนี้จะเทศยากยากนะทำไมวันนี้เทศง่ายจังก็ อนกกามสกัดของพ่อนะครับเดี๋ยวนะขอเวลานอกสังเกตไหมพอเขาจะพูดนะใจเราวิ่งไปที่เขาหมดเลยทั้งแถบเลยทั้งกลุ่มเลยนะรุ่มใหญ่ๆ่เลยเนี่ยให้คอยรู้เนนี้ใจมันหนีนะใจมันไหลไปวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดใจมันวิ่งไปวิ่งมาเราคอยรู้ทันเรื่อยๆนะการปฏิบัติเนี่ยให้ปฏิบัติในชีวิตจริงๆปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาได้ยิ่งดีนะว่ามา เป็นการทรงกันบ้านครั้งแรกนะครับได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสิบเดือนนะครับปัจจุบัติมาประมาณสิบเดือนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับในรูปแบบไม่ค่อยได้ปฏิบัติก็ดูจิตใจที่มันเคลื่อนไหวอะครับว่าโลภกดลงยังไงครับในชีวิตประจํำวันก็สิบเดือนที่ผ่านมาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าจิตใจมันสงบมากขึ้นนะครับ มันเ อ, อเห็นโลภเห็นโกรธเห็นหลงที่ชัดเจนมากขึ้นครับรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปมันหางค่อยค่ห่างครับเออนั่นแหละมันถึงจะเหนือโลกได้ะโล ก, กุตรละทำนะนี่ขนาดยังไม่ถึงโล ก, กุตรละนะโลกยังห่างออกไปนะงั้นต่อไปโลกมันเป็นอะไรขึ้นมามันมาไม่ถึงใจครับอย ค, ค่อยๆฝึกไป บ, บ, บางทีมันเหมือนมันโลกมันแยกไปหมดครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรา อ, อย่างเงี้ยครับนั่นแหละฝึกไปฝึกถูกแล้วละ่ะขันก็แยกได้ละครับฟังซีดีหลวงพ่อไม่ธรรมดานะซีดีหลวงพ่อเนี้ยคนฟังแล้วแยกธาตุแยกขันได้เห็นธาตุขันแสดงใจ ร, รักได้นี่เยอะแยะเลยนั่งรถไปเนี่ยบางทีอยู่ริมถนนนะเห็นคนเดินอยู่รู้เลยนะว่าคนเนี้ยฟังซีดีหลวงพ่อหน้าตามไม่เหมือนคนธรรมดาหน้าตามจะสดใสจะรู้คนที่รู้สึกตัวนะดูเป็นไหม ดูคนอื่นเป็นไหมว่าหน้าตาอย่างเนี้มันรู้สึกตัวหน้าตาอย่างนี้มันหลงมันดูตัวเองได้มันก็เห็นคนอื่นได้เหมือนกั น, นบางทีมันก็เห็นคนอื่นเหมือนกันแต่เล่าไม่สนใจนะครับ<ะ>เรารู้ไปอย่างนแะแต่ว่าเราไม่สนใจเราดูของเราคร<ะ>ับปฏิบัติถูกแล้วล่ะแต่มีจุดอ่อนสมาธิอ่อนไปแรงไม่ค่อยมีเพราะฉนั้นทำในรูปแบบได้จะดีมากครับ<ะ>การจเจริญสติในชีพจะมันรวดไปเลยเนะี้ถึงจุดหนึ่งแรงไม่พอ ตรองฝึกวิธีฝึกในรูปแบบก็อาจจะแค่ไม่ทพรสวดมนต์นะแล้วก็รู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกไปอะไรเงี้ย น, นะไม่บังคับให้ใจสงบครับใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้แต่เราอยู่ก็ลมหายใจอยู่ก็พุโทโธอยู่กัอะไรไปใจมันค่อยสงบเองพาใจสงบแล้วจะมีแรงเขาคุณจุดอ่อนคือแรงน้อยไป เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะหลวงพ่อจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกภาวนาเป็นจริงเป็นจังมาก่อนแต่อยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราไม่เคยนั่งสมาธิเลยเนี่ยเทียบกับการที่ทุกวันนี้คือเวลารู้สึกตัวก็พยายามตามลมหายใจเข้าออกแล้วก็ท่องพุดโธพุโทโธไปเนี่ยอันนี้สงที่ได้เนี่ยจะต่างกับการนั่งสมาธิแบบนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมอะไรแบบนั้นไหมคะ ไม่ต้องไปนั่งหรอกเขานั่งไหเขาไม่สงบนะใจเราช่างฟุง้งเงินเราอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละใจหนีไปเรารู้ใจหนีเรารู้นะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นแล้วต่อไปถึงค่อยไปนั่งทีหลังตอนนี้เราใช้ปัญญานําสมาธิเราเห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปก่อนนะแล้วต่อไปสมาธิมันจะดีขึ้นค่อยไปนั่งทีหลังตอนนี้อย่าเพิ่งไปลิบนั่งเลยนั่งนั่งไม่สงบหรอกเส้น <c oughs> ทางเดินมันมีหลายเส้น ใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาพร้อมๆกันอย่างของคุณเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิดูเกิดดับไปก่อนดูอะไรไปก่อนชังเกจนไหมสมาธิเราก็ดีขึ้นรู้สึกไหมค่ะ <c oughs> ใช่สมาธิมันจะแถมมานะเยะค่อยๆดีขึ้นต่อไปเราค่อยไปหัดในรูปแบบจะไม่ยาก ก็ถามเผื่อลูกค่ะมีลูกเล็กๆห้าขวบกับเจ็ดขวบควรจะให้เขาเริ่มภาวนาหรือว่านั่งสมาธิอะไรเมื่อไหร่ดีอะค่ะ<อ>เด็กโตแค่ไหนถึงจะเริ่มรู้เรื่องเด็กเจ็ดขวบแต่ว่าอย่าไปบังคับเด็กนะมันมีเคล็ดลับที่ดีกว่านั้นเปิดซีดีหลวงพ่อให้เด็กได้ยินเรื่อยๆแล้วเขาจะภาวนาเป็นนะแล้วจะไปลืมธรรมะอีกช่วงหนึ่งช่วงวัยรุ่นจะลืมอีกช่วงหนึ่งเป็นธรรมชาติ โตขึ้นมามันก็กลับมาหาธรรมะใหม่เด็กๆเกนี่ยแหะเปิดซีดีให้ฟังนะมันรู้เรื่องเล็วกว่าเราอีกบังคับมากไม่ดีนะเด็กเด็กเครียดไปเด็กทุกวันนี้เครียดมากอยู่แล้วล่ะเด็กลําบากนะยุคนี้อย่างสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเนี่ยปิดเทอมเรามีเวลาวิ่งเล่นนะดเด็กเดี๋ยวนี้ออกจากโรงเรียนต้องไปเรียนพิเศษปิดเทอมไม่มีต้องเรียนพิเศษเรียนอะไรนักหนาไม่เห็นใจฉลาดเลย นะาอ้วาวมานักมาตรการครับผมได้ปฏิบัติมันเกิดปัญหาในตัวผมคือบางครั้งจิตมันสงบมันเห็นร่างกายมานอนหลับอะครับแล้วจิตมันก็มองที่ร่างกายเดี๋ยวก็มามองตัวผู้รู้สลับไปสลับมามันเดี๋ยวก็มันก็สลับไปอยู่ความสงบผมไม่รู้จะทำยังไงต่อครับเราก็ฝึกอย่างนั้นแหละนะสังเกตแม้ขันมันแยกได้ลกายขใจมันโคลนนะ ร่างกายมันนอนหลับใจก็เป็นคนดูได้เนะขาค่ฝึกไปแต่จุดสำคัญเนี่ยคิดเยอะไปอย่าไปคิดเยอะอย่าไปนคนกว้ามากรู้รงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้สภาวะลงปัจจุบันนะอย่างตอนนี้ใจใจไปคิดละทราบไหมครับนะรู้ทันมันไปเลยเห็นว่าเออใจมันคิดได้เองใจนี้ไม่เที่ยงดูอย่างนี้เรื่อยเรื่อความรู้ไม่สำคัญนะสำคัญที่เร า, เ ร, า, เ ร, ารู้ ว่าจิตใจมันแอบไปทํางานมันทําของมันได้เองความรู้สึกก็ไหลเกิดดับได้เองเรนนี้สําคัญกว่าส่วนความรู้ที่แตกฉานรู้ธรรมะเยอะแยะอะไรไม่จําเป็นให้รู้สภาวะเห็นสภาว ะ, วะเกิดดับเท่านี้ก็พอแล้วละ่ะของคุณคดีแล้วละ่ะไปฝึกอีกขอบพระคุณครับสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับสบายรู้ดื่เบิกบานสบาย แต่เราอยากค้นความเยอ ะ, ะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วเขาแจมแจ้งของเขาเองถ้ายิ่งเราค้นความมากยิ่งเสียเวลานานว่ามัครับกราบมสการหลวงพ่อปามตทร์ครับก็ช่วงปีที่แล้วประมาณกลางปีก็ออจิตเขามาอยู่กับปัจจุบันเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วง สี่เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วก็มีการตั้งสัจจะนะครับในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองเพื่อช่วยในการภาวนาก็รู้สึกว่าจิตเขามีกำลังแรงดีครับแล้วก็ช่วงเกือบปลายเกือบเือปลายปีก็มีเห็นไตรักษครอบขันห้าครับแล้วก็มีตัวทุกข์กับตัวอัตตานี้อยู่ตรงกลางครับ แต่ว่าเพิ่งดีใจได้นิดเดียวครับว่าภาวนาที่สุดในชีวิตก็จิตก็เสื่อมให้ดูต่อหน้าต่อตาครับเสื่อมไปประมาณสามวันครับวันที่หนึ่งวันที่สองแล้ววันที่สามนี่ประมาณวันที่ส1มสิบเอ็ดพอดีครับวันจบสัจจะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของปีก็คิดขึ้นมาได้เลยว่าเอาจิตนี้เขาทำความเจ็บช้ำให้มากเลยครับ เพราะว่า ท, าทั้งๆที่คิดว่าภาวนาดีที่สุดในชีวิตแล้วกลับมาเสื่อมแบบคนภาวนาไม่เป็นกิเลสเยอะมากนะฮะเพราะว่าเขาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเลย ท, ทั้งๆที่ตั้งใจอบรมบ่มนิสัยมาเป็นสิบๆปีก็ ท, ทั้งๆที่คิดว่าดีที่สุดเขาก็กลับพลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งคระะับแล้วก็ช่วงปีใหม่มืนี้ก็ รู้สึกว่าขี้เกียจนะครับแต่ว่าภาวนานะฮะมีความรู้สึกว่าขี้เกียจได้ประมาณสิบวันแนละ้วก็ดูมาเรื่อยๆประมาณสิบวันปุ๊บกลางคืนประมาณตีสามครึ่งก็รู้สึกว่าลีลาของจิตเขาสอนมวยนะครับก็คือเขาแสดงให้ดูว่าเ อ, อใจก็แบบขยันขึ้นมาเองจากขี้เกียจก็เปลี่ยนเป็นขยั น, นครับ ช่วงเดือนมกรานี้ก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเ่านาส่งจิตออกนอกเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ผมก็พิจารณาว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็อาจจะเท่าที่ประเมินตัวเองดูว่ า, วาจิตเข า, เาน่าจะหนีการมองทุกข์ก็เลยกลับมามองมองตัวทุกข์แล้วก็จัดกระบวนใหม่ได้สักวันสองวันนเองครับหลวงพ่อ คือดูอะไรไม่ได้ก็ดูร่างกายไหมกายยังไงมันก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกครับขอบคุณค่ะขอคุณค่ะของโยมที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จไปนะมันบังคับใจมากแต่มันจะรู้แต่ว่ามันจะแข็งไปนิดหนึ่งนะให้ผ่อนคลายกว่านี้หน่อยรู้เล่นๆจริงจังไปคราบในมัมส ก, การค่ะ ก็สิบเดือนค่ะท่าส่งกับบ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดดับอยู่ที่ที่อกเนี่ยค่ะแล้วมันเกิดอยู่ตรงนี้แล้วมันไปดับตรงคอแล้วมันก็จะตึงๆท้ายคอนะคะแล้วก็พอดีจิตมันวัยจิตมันวัยแล้วทีนี้มันมันชอบไปรับไอ้สิ่งที่วัยวๆมาแล้วควบคุมไม่ได้ค่ะพอนนีดีกว่าเก่ามากแล้วนะ เมื่อก่อนเนี้ยมันฟุ้งซ่านแหลกลานเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็บางทีเราอยู่ตรงพุโทโธใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องอยู่พอพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะดิ่งพอมันดิ่งปุ๊บก็ก็ต้องให้ให้รู้สึกขึ้นมาคือมันไม่มีอะไรอยู่เป็นที่แน่นอนของเครื่องอยู่ของจิตเลยอะคะ่ะอย่างสมมติว่า มันทันเห็นกายก็จะเห็นกายมันทันพุทโธก็จะพุทโธเราอยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับปัจจุบันไปด้วยรู้อะไรก็ไม่สําคัญหรอกแต่ว่าทุกสิ่งที่มันรู้นะสอนไตรลักดูให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปเองมันทํางานได้เองดูมุมอย่างนี้ไปเรื่อยๆหล้วจะเห็นกายก็กายไม่ใช่เราหรอมันทํางานของมันได้เองใจมันก็ทํางานของมันเองดูอย่างนี้เรื่อยๆ ค่ะแล้วห น, หนูหนูหนูจะนั่งสมาธิได้หรือเปล่าคะหรือว่าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนนั่งแค่เพี้ยนนะอตอนนี้ดีกว่าแต่ก่อนแล้วลองนั่งสิอย่าไปเริ่มด้วยการบังคับรู้สึกไหมเริ่มบังคับจิตละค่ะเริ่มน้อมเข้ามาไม่เอาไม่น้อมใช้จิตปกตินี่แหละเห็นร่างกายหายใจไปไหายใจไปพุโทโธไปก็ได้ไหายใจเข้าพุหทหายใจโธแต่รู้ด้วยจิตที่ปกติ นยอยู่ๆก็ไปน้อมๆไปเดี๋ยวซึมไปโมหะแทรกค่ะงั้นหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะสําคัญกว่าค่ะอยู่บางทีร่างกายหายไปเลยยความรู้สึกตัวยังอยู่ถ้าน้อมๆอย่างนั้นเดี๋ยวหายไปหมดนละค่ะแล้วก็บางทีเวลาเราทํางานอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าข้างนอกมันมันเหมือนวัตถุเหมือนบ้างๆไปเลยแล้วจะมีแต่ตัวเราคือจะมีแต่ก้อนธาตุของเราเนี่ย เดินอย่างเงี้ยมันแบบนี้มันลึกไปหรือเปล่าคะไม่ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นเองไม่เป็นไรนะค่ะนั้นเป็นเป็นคราวๆไม่เป็นไรค่ะบางครั้งจิตก็ทรงสมาธิขึ้นมามนก็เห็นอย่างนั้นหลยค่ะขอบพระคุณค่ะต้องไปกวาดบ้านถูบ้านต่ออีกหรือเปล่าคะไว้ยทาไม่เลิกนะเดี๋ยวบ้านลบขอบคุณมากค่ะไปกวาดบ้านนะนะั่นแหละเนี่ยถ้าหลวงพ่อให้การบ้านกวาดบ้า น, าานถูบ้านนะคือพวกพิเศษอนะ เช่นปูงพิเศษดีแล้วล่ะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นใจนะไม่งั้นจะปุงแหลกหลามแบบนี้ค่ะกราบนพัสการหลวงพ่อนะค ะ, ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มากราบหลวงพ่อแล้วก็ได้ส่งกันบ้านค่ะที่ผ่านๆมาก็ฟังจากอินเทอร์เน็ตค่ะดูจาก YouTube แล้วก็นำคำสอนของหลวงพ่อไปปฏิบัติตอนแรกก็เหมือนจะปฏิบัติ ได้ดีอะค่ะแต่พอระยะหลังๆมาเหมือนมันไม่กระตื้องไม่พัฒนาเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าค่ะมันขี้เกียจหรือเปล่าค่นั่นแหละปัญหานะทำสม่าเสมอสินะสงบ ก, ก็ปฏิบัติไม่สงบ ก, ก็ปฏิบัตินะเบือ่อท้อแท้ก็ปฏิบัตนะิขยันก็ปฏิบัติไม่เลิกนะเจ้าค่ะ ก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหเจ้าคะไม่กำหนดอ่ะให้รู้กำหนดเป็นภาษาเขมร น, นะให้ไปคำเป็นคำแผลมันจะคำว่ากดกดไม่กดให้รู้เฉยๆแต่ที่ปฏิบัตินี้ก็ถูกอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะมเพ่งแรงไปภาวนาให้มันสบายกว่า น, นี้ยิ้มหวานก่อนสังเกตไหมเรายิ้มแต่หน้าใจมันยังเฉยๆใช่ไหม ต้อยิ้มเดินทั้งใจนัเหมือนดอกไม้บานให้ใจผ่อนคลายห้ใจผ่อนคลายแล้วดูรูปดูนา ม, มันทำงานไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายค่ะขอบพระคุณค่ะกราบพนมสการค่ะ อาา่าาวมค่ะของหนูฟังซีดีของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ปฏิบัติไปรู้สึกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่หวังผลนะคะแล้วก็จิตเครียดเหมือนฟุ้งซ่านไปนะคะ่ะก็หยุดไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่ไม่ถึงเดือนนี้นะคะ่ะก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวนานๆครั้งนะคะแย่กว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเจริญหรือเสื่อมก็ไม่สําคัญนะ ถึงเราพานาดีแค่ไหนถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมมันสอนธรรมะเราทั้งสิ้นจเจริญก็สอนธรรมะเสื่อมก็สอนธรรมะมันบังคับไม่ได้จุดสําคัญคือไม่เลิกพานาให้ต่อเนื่องทุกวันทุกวั น, วนสรรม่ำเสมออย่าหยุดเป็นพักๆหน้า <laughs> ค่ะแล้วก็ตอนนั่งสมาธิอค่ะมันจะรู้สึกถึงตัวโยกคอรตามจังหวะการเต้นของหัวใจะค่ะไม่รู้ว่าเราจะดูท้องพองยุบเหมือนเดิมของเราหรือว่าเคลื่อนมาย้ายดูตัวโยกคอรแทนเนี้ยค่ะไม่ไปดูบัตหรอกอให้ดูใจของเราถ้าโยกขึ้นมาแล้วใจสงสัยว่าจะทํำยังไงดีรู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปสนใจอาการของปีติไม่สําคัญอะไรหลวพ่อก็เคยเป็น เห็นมันโยกนั้นนั่งสมาธิพอใกล้ๆจะสงบแล้วโยกนล้วอุ้ยดีดีวะนั่งโยกนะครับโยกแต่รู้โอ๊ยสมาธิอะไรโยกแยกโยกแยกเนี่ย้าไม่มีสมาธิพอสิมันถึงโยกค่ะก็ให้ปฏิบัติไปเหมือนเดิมนี่พอใช่ไม่เหมือนเดิมนะให้รู้ทันจิตไปนะถ้าร่างกายโยกขึ้นมาจิตชอบรู้ว่าชอบจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยนะเข้ามาที่จิตนะอาการทางกายไม่สําคัญหรอก พอเข้าใจไหมค่ะให้ดูท่านใจของเราเองนะส่วนปิติมีทั้งสารพัดมีทั้งหลายแบบบางคนรู้สึกตัวเบาบางคนรู้สึกเหมือนตัวใหญ่เป็นภูเขาเลยนะสารพัดจะเป็นไม่มีนัยยะอะไรต่อไปคนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วกราบน้มัสการหลวงพ่อลูกสิษย์ส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะทําในรูปแบบ ตลอดนะคะจะมากบ้างน้อยคือมากบ้างน้อยบ้างหมายความว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีก็แล้วแต่เวลาที่ตื่นแลวงานที่จะต้องทำแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันจิตไหลไปก็ตามรู้ตามดูได้ดีขึ้นแล้วก็ทูถึงไตลรลักษณนนิจังทุกขังอนิจตาอันนี้นะคะเห็นไตลรลักษณ์ค่อนข้างจ ะ, จะชัดเจน อ่าอีิในเรื่องของ อ, อนิจังนะคะส่วนอนัตตนี่ไม่แน่ใจในแง่ที่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราและอันนี้มันเกิดขึ้นเองโดยที่เราบังคับไม่ได้จะเห็นอันที่เกิดขึ้นเองโดยบังคับไม่ได้เนี่ยชัดเจนแต่เรื่องตัวเรื่องตนของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตัวตนของเรานี่ไม่ค่อย ไ ม, ไม่ชัดนะคะไม่จําเป็นนะค่ะอนัตตาเนี่ยมองได้ทั้งห้าแบบค่ะแล้วเราเห็นว่าบังคับไม่ได้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะค่ะเจ้าค่ะเนี่ยไตรักเนี่ยมีทั้งสามันรู้อันเดียวก็พอคเพราะเราจะรู้อนัตตาในอนัตตามีทั้งห้ามุมรู้อยู่มุมเดียวก็พอไม่ต้องรู้หมดหรอกของโยมพาวนานดีขึ้นนะแ ต, แต่จุดอ่อนอยังมีนิดนึงคือเวลาปีติเกิดเนี่ย นะมันยังครอบงำใจเราได้จ้าค่ะงั้นถ้าปีติเกิดนะให้รู้ทันไม่ให้มันมาครอบใจเราเยิ้มไปเลยนะต้องสู้นะไม่ให้ครอบได้จ้าค่ะเราจะต้องอิสระถ้าถูกปีติหนึ่งมากแล้วก็เราก็ถูกมันยอมไม่ไม่ดีมันดีน ะ, ะแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้่คก็ให้แก้ไขตรง ปิตินี่ใช่ไหมจ๊<น>ะของโยมปิติเยอะแล้วก็เวลาปิตินั้มามันจะย้อมใจดูออกไหมขอกราบขอบคุณมากเจ้าค่ะค่ะ ก, กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูตื่นเต้นมากมาส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกค่ะนี่หลวงพ่อชมหน่อยนะรอบนี้คนจัดเนียบมากเลยมีคนส่งกันบ้านครั้งแรกนี่เยอะมากเลย ไม่เหมือนบางที่นะมีแต่คนรอบหน้าเดิมทุกทีเลยอย่างนี้ดีอ่ะว่ามาค่ะทุกวันนี้ก็พยายามทีถือศีลให้ดีขึ้นยังไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วค่ะนี่ลูกเราหรือเราเอาเด็กนี่แหละมาทำกรรมฐานสังนะเกตไหมความรู้สึกของเรากับลูกเนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันก็โมโหมหีไหม ส่วนไหนเด็กเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ของสามีจะเห็นชัดกว่าสามีเราอยวไปพูดถึงเรารู้ไว้ในใจค่ะแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบดีขึ้นมากไม่ร0อยเปอร์เซ็นตประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นทุกวันแล้วค่ะดคะีค่ะคือตึนเต้น <laughs> ครั้งแรกหนูเห็นกายใจมันแยกออกจากกันนะคะโดยที่มีกายอยู่แล้วก็มันเจ็บตอนนั้นหนูไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็หนูก็งงว่าอ้าวทาไมเรามีสองส่วนแล้วแล้วอันเนี้ยคืออะไรอ่ะกายกายนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วอันนี้คืออะไรตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเป็นใจใช่ไหมคะมแล้วก็ครั้งต่อมามันแยกบ่อยขึ้นแต่แยกเป็นส่วนๆเป็นท่อนๆไปค่ะแล้วก็ มีอยู่ช่วงหนึ่งมันหนูเห็นร่างกายแบบเป็นดินน้ําลมไฟอ่ะคะ่ะแล้วตอนจะตื่นขึ้นมามันมีอยู่ครั้งหนึ่งจิตมันค่อยค่อยหมุนหมุนหมุนขึ้นมาก่อนแล้วก็มารับรู้ร่างกายที่เป็นดินน้ําลมไฟก่อนแล้วก็มันหมุนขึ้นมาอีกแล้วมารับรู้ข้างนอกก่อนที่จะตื่นอะคะ่ะถูกยังงั้นถูกเลยใช่ไหมถูกแล้วล่ะ <laughs> แสดงว่าเราพอวนา ม, มาแต่ชาติก่อนแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นของเก่ามันกลับมามทําง่ายหนูก็ว่าโอ้โหแค่แบบว่าฝนตกกว่าจะตื่นขึ้นมาได้มันมีขั้นตอนเยอะมากขนาดนี้เลยเลยอย่างเงี้ยใช่จิตเวลาจะขึ้นมารับอารมณ์นะเป็นขั้นสเต็ปสเต็ปขึ้นมาค่ะตั้งหลายขั้นนะถูกล้แล้วก็เ อ, อเมื่อประมาณสักเดือนแล้วขับรถอยู่อ่ะค่ะแล้วก็เห็นความเศร้ามันมา ก็ดูลงไปตรงๆความเศร้ามันกระเด็นความเศร้าอยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงนี้ใจอยู่ตรงนี้ก็อึ้งไปเลยก็ไม่รู้อ๋อมันความมันเห็นความเศราเ้าไม่ส่วนมากผู้หญิงอะครับเศร้าๆนั่นจะปล่อยให้ความเศร้าครอบงาใจเดี๋ยวไม่ให้ครอบนะดูอย่างนั้นก็เด่นออกไปตาหากเลยคะนะต้องอิสระจากมันโทสะเจ้รเองค่ะโทษะเวลาเกิดขึ้นมาบางครั้งรู้สึกดูไม่ลงแน่หนูรู้สึกว่าหนูใจไม่เป็นกลาง แต่บางครั้งพอดูดูเวิรมันดับลงไปทันทีพอดับแล้วมันแวบคิดขึ้นมาอีกแล้วมันก็โกรธต่อมันเหมือนกับเป็นฉากฉากฉากตนนั่งเวลาโกรธสังเกตไหมมันตามหลังความคิดมาใช่ค่ะพอมันไม่ได้คิดนะมันก็ดับใช่ค่ะดูออกขอยังว่าความโกรธเนี่ยไม่ใช่เราดับมันได้ใช่ค่ะแต่พอเหตุของมันดับคือเราไม่ได้ไปคิดในทางที่จะโกรธนะความโกรธก็ดับค่ะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอันเดียว ไปดูไปพอนาเก่งมาดูได้ละเอียดยิบเลยแล้วก็เมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนหนูฝันคะ่ะแล้วก็มันแปลกใจมันมันเจริญสติในฝันได้ในแปลกหรอมไม่แปลกถ้าเราทําอย่างนั้นได้นะต่อไปเวลาฝันร้ายแล้วสติก็เกิดเองฝึกไปเรื่อย เ, เวลาจะตายเกิดนิมิตไม่ดีขึ้นมาสติเกิดนะไม่ตกนรกแล้วไม่ไปอาบัยแล ช่วยตัวเองได้ชาตินึงชาติหน้าว่ากันใหม่เราจะรู้ได้ไงคะว่าชาติหน้าเราจะมีโอกาสได้ภาวนาอีกค่ะรู้ไม่ได้หรอกไปเกิดที่ที่เขาไม่ภาวนาเลยอย่างนี้นะอืครั้งนั้นก็เพราะร่งรีบภาวนาแต่ชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้าค <c oughs> ่ะงั้นเดี๋ยวให้ตัวเล็กลองส่งดูนะคะกี่กวบวันนี้อ่าเพิ่งจะเจ็ดค่ะ แต่ว่าเริ่มริพอประมาณประมาณหกขวบกว่าค่ะใช่ค่ะเขาเขาเริ่มนั่งส่วนมุนด้วยด้วยแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นบางบางแวบหนึ่งเขาเห็นกายใชกแต่เขาขยับเองแต่เขาเห็นแว็บเดียวแล้วแหละมันแยกรูปน้ําแล้วค่ะแล้วก็เด็กนี้มันแยกได้แล้วห่ะเขาไปตลาดแล้วเขาไปยืนแล้วเขาก็อึ้งอยู่แล้วหนูว่าเป็นอะไรหนูว่า มันเขาเห็นความอยากอยากได้ตุ๊กตาแล้วเขาทุกยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเขาเห็นว่าเขาเห็นความอยากแล้วเขาก็ทุกแล้วเขาก็แม่ซื้อให้ไหมไม่ซื้อแล้วเขาว่าทุกกว่าเดิม <laughs> แล้วสักสักพักหนึ่งก็ขี่รถกลับบ้านแล้วเขาแม่ความอยากเมื่อกี้มันหายไปแล้วเขาบอกแล้วเขาว่า เมื่อคิดที่อยากได้มันดับไปแล้วมันไม่ไม่ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้คิดอีกแล้วอยากอีกแล้วเขาบอกค่ะเห็นไหมจะโกรธนะก็ต้องคิดก่อนแล้วโกรธจะโพื่อคิดแล้วก็โลภเห็นไหมมันตามหลังความคิดมาแต่ว่าเราจะไปห้ามใจไม่ให้คิดไม่ได้่ะก็ปล่อยให้มันคิดแต่คิดแล้วโลบก็รู้ทันคิดแล้วโกรธก็รู้ทันก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปช่วงประมาณสองอาทิตย์หลังมานี้หนูไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันมันไม่มีคําพูด มันอยู่ตรงนี้มันจะกระเพื่อมก็ไม่เชิงมันจะบีบก็ไม่เชิงนั่นแหละมันไหวๆอยู่นะบาทีมก็หมุนเราแค่รู้แค่เห็นแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆจะเห็นแต่ทุกข์ใช่ค่ะรู้สึกมันทุกข์ตลอดเกือบทั้งวันเลยเ อ, อแล้วพ อ, พอเห็นทุกข์ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ต้องพักด้วยการทําสมาธินะไหว้พระสวนมนต์พุโทโธไปถ้าจิตไม่ทําสมาธินั่นจะดูแล้วทุกข์อย่างเดียวเลยทุกข์จนทนไม่ไหว ดังั้นจิตมันเดินปัญญาในขั้นละเอียดจนมันเห็นวัตตะหมูนขึ้นกลางหน้าอกแล้วเราจะเห็นแต่ทุกข์ถ้าเห็นตัวนี้เราจะเห็นทุกข์ร จ, รจริงๆอยู่กับความทุกข์มันตลอดแต่ไม่เคยเห็นพอเห็นแล้วก็จะอยู่กับมันไม่ได้พอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อรู้สึกไหมมันน่าเบื่อค่ะรู้สึกเสียอย่างเดียวตอนเนี้ยความเบื่อครอบงําใจแนละ้วดูให้กระเด็นออกไปเลย ไปไปฝึกเอาค่ะ <Taylor> ขอบคุณค่ะค่ะขอกราบขอพระคุณท่านหลวงพ่อมากเจ้าค่ะที่ได้ขยายสิ่งที่ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วก็ได้ความกระจ่างชัดเพื่อที่จะฝึกฝนต่อไปมีคำถามหนึ่งซึ่งโยมเกิดขึ้นในใจจากคำถามของผู้ส่งการบ้าน เห็ uhm นหลายๆท่านได้ตามจิตที่ไหลไปเห็นสภาวะในความเสื่อมในความเจริญมีการแยกรูปนามในสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อสักครู่นี้เจ้าค่ะว่าเมื่อเห็นความจริงในทุกเกิดทุกดับจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่น สิ่งนี้มันเป็ น, นกลไกอัตโนมัติที่ต้องเป็นไปเมื่อฝึกฝนใช่ไหมเจ้าคะหากว่าจะพูดถึงเป้าหมายสุดท้ายที่หลวงพ่อบอกว่าเพื่อให้จิตอิสระคําว่าจิตอิสระมีความหมายอย่างไรเจ้าคะคือจุดสุดท้ายนะัที่เราต้องการจริงๆนะั้นคือความดับสนิทแห่งทุกขนะ์นี่จิตจะดับสนิทแห่งทุกข์ได้จิตมันเป็นอิสระแล้วไม่ยึดถืออะไร มันไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะมันเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่น่ายึดถือนะมันบางทีก็เห็นของไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เลยไม่น่ายึดถือใจก็ไม่ยึดถือใจมเป็นอิสระขึ้นมาใจมเป็นอิสระใจมก็ไม่มีความทุกข์อะไรเพราะมันมีความทุกข์มันเที่ยมีความอยากมีความยึดมีความดิ้นรนภายในขึ้นมานะแล้วฝึกไม่มีใครสั่งจิตให้บารู้มรรคผลได้หรอกจิตเป็นของจิตเอง เรามีหน้าที่พาจิตให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกลใจนี้เท่านั้นแหละดูบ่อยๆ เ, เขารู้ความจิตเขาหลุดของเขาเองไม่มีใครสั่งได้เวลาภานาจริงๆนะถึงจุดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราจนปัญญาแล้วสุดสติสุดปัญญาไม่รู้จะทำยังไงอีกต่อไปแล้วนะจิตมันไม่ยอมหลุดพ้นจิตมันไม่ผ่านใครเคยเป็นไหมรู้สึกมันจนปัญญาแล้วนะสุดฤทธิ์สุดเดชล เหมือนสู้กับใครผู้ร้ายไล่ชกเราจนะนเราหลังติดกำแพงเราถอยก็ถอยไม่ได้นะสู้ก็สู้ไม่ได้นะภาวาจนมุมเลยแต่ไม่ยอมท้อถอยแนละ้วเพราะว่ามันถอยไม่ได้ mm hmm. แล้วตอนนั้นจิตมันถึงจะเป็นหุ่มมันครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนว่านิพพานอยู่ฟากตายภาวนาจนจนมุมเหมือนจะตายเลย น, ะนั้นะ mm hmm. นึงจะแตกหักกันลงไปได้ตรงนั้น ขอทุกท่านได้ก้มกราบขอพระคุณหลวงพ่อปราโม ท, ที่ได้แสดงธรรมและได้ให้เราได้พัฒนาจิตในจิตตภาวนาอย่างเจริญงอกงามต่อไปนะเจ้าคะ่ะโคศก็ภาวนาดีขึ้นนะภาวนาดีขึ้นขอพระคุณค่ะขันันค่อยๆแยกแล้วค่ะรู้สึกไหมไกายกับใจคนละส่วนกัน ้สึกเจาค่ะนั่นแหละขันมันเริ่มแยกลนะต่อไปนี้เราดูนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันไม่ใช่เราหรอกเจ้าค่ะดูไปจนมันเห็นของมันเองเห็นแล้วมันก็พ้นของมันเองไม่มีใครสั่งได้นะแล้วแต่เวรแต่กรรมจริงๆนะตัวนี้ไม่ใช่พูดเล่นนล ม, มันอยู่ที่กรร ม, มถ้าเราสร้างกรรมของเราเพียงพอมก็หลุดพ้นไปกรรมของเราคือกรรมฐานนั่นแหละค่ะ ค่ะเชื่อ ว, ว่าทุกท่านได้กำลังใจเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อจะได้ฝึกจิตนะคะให้มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในใจต่อไปในลำดับต่อไปค่ะขอทุกท่านได้ประนมมือน้อมใจร่วมถวายเครื่องทยทานร่วมกันนะคะอิมานิมยังพันเตกับปิยพันธานิ สัปปริวาร า, านิพิกขุสังค no no ะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังโ ค, งค อ, อิมานิากัปปิยาพันธานินาานสัปปริวาร า, านิ ป, ป, าาปฏิคันหาตุ อัมหากังทีคาระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกัปปิยะพันธ์พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้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 ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังติตังตุมหังคิปเมวาสมิจชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันทูปนรโสยถามนิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังุทธาปจายิโนจตารโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุหลวงพ่ออนุโมทนาด้วยนะนทีมงานที่จัดงานจัดเทศ ต, ต่อเนื่องมาถึงวันนี้เนี่ย พวกเราจำนวนมากนั้นเราได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะเป็นผลจากที่ทีมงานที่เขาจัดงานเนี้ยเขาเอื้อเฟือเราแล้วก็ต้องขอบคุณทางวัดเขาด้วยนะได้อาศัยสถานที่ท่านใจดีเนาะให้ใช้ <c oughs> แล้วหลวงพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวของกินของใช้นะหลวพ่อมอบให้ทีมนักปวด เอกสูนีนีผู้หญิงลำบากอ่ะ